ต่อไปนี้จะได้พูดเรื่องสิงคาลกสูตรหรือสีสิงคาโลวาทสูตรเป็นประสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสำหรับชาวบ้านผู้ครองเรือนโดยตรงแล้วก็เป็นประสูตรที่นำมาสั่งสอนอบรมกันแพร่หลายมากนักปราชญ์ทางาศาสนาได้ยกจ้องประสูตรประสูตรนี้ไว้ว่า ถ้าหากว่าคนปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็เท่ากับปฏิบัติคำสอนของของจือทั้งหมดแล้วก็เนื้อหาจริงๆครอบคลุมได้ไปไกลกว่าคำสอนที่องจือท่านสอนไว้มีลักษณะนแนวคล้ายคลึงกันข้อความในตอนต้นก็เป็นเช่นเดียวกับประสูนเพดึะว่าประนรได บอกว่าข้าพเจ้าได้สะดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับอยู่ที่พระเวรุวันในกรุงราชเครือในตอนเช้าได้สเสด็จออกบินทบาทผ่านไปก็พบมานกคนหนึ่งชื่อสิงคาละกะท่านเอาตัวลงไปแช่อยู่ในน้ำคือผมผ้าเปียกหมดทั้งตัว แล้วก็ขึ้นขึ้นมาแล้วก็นอบน้อมทิศทิศทั้งหกทิศทั้งสี่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปใกล้แล้วก็ถามว่าทําอะไรท่านก็บอกว่านอบน้อมทิศกำมังนอบน้อมทิศอยู่พระพุทธเจ้าค่ะรับสั่งถามว่านอบน้อมทําไมว่าพ่อสั่งไว้ก่อนที่จะตายว่เาเมื่อพ่อตายไปแล้ว ก็ขอให้ลูกนอบน้อมชิดพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าในอริยวินยัยคือหมายความว่าในพระธรรมวินัยนี้ก็มีการนอบน้อมชิดเหมือนกันแต่ไม่นอบน้อมกันอย่างนี้สิงคาลมานพก็กราบทูลถามว่าในธรรมวินัยนี้คือในพระศาสนานี้มีการนอบน้อมชิดอย่างไรพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่า เธอจงตั้งใจฟังให้ดีจงเงี่ยหูลงฟังกำหนดข้อความแล้วเราจะแสดงการนอบ น, อน้อมชิดเก่เธอเมื่อมานบรับคำแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมะไปโดยลำดับเริ่มที่ให้เว้นจากกรรมเครื่องเศร้าหมองสีประการละเว้นการกระทำบาปด้วยอำนาจของอากติสีประการ แล้วก็เว้นอบายมุกทั้ง4ี่ประกาศเว้นคบเมิตรชั่ว4ี่จํพวกครบมิดี4ี่จํพว ก, ดดพวกแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนเมื่อเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งหลายก็รวมแล้วก็เป็นข้างหลังนี้ก็เป็นสีหข้อด้วยกันและในที่สุดก็สรุปว่าเมื่อคนปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าได้ถือเอาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์ในโลกปัจจุบัน ได้ประโยชน์ในภายภาคหน้านี้ก็เป็นใจความโดยสรุปมีข้อที่ควรทำความเข้าใจในตอนต้นก็คือว่ากรุงราชคักิ์ในสมัยนั้นก็เรียกว่าเป็นมหาณาจักรซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีมาชนบท16แหวนขนาดใหญ่แล้วก็มีขนาดเล็กก็ประมาณ 6-7 แหวนด้วยกัน กรุงราชกุลเป็นเมืองแรกที่พระพุทธเจ้าตอนเสด็จพนวดแล้วเสด็จพุทธดำเนินเข้าไปในที่นั้นพระเจ้าพิมีสารได้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินไปตอนนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์บวชใหม่ๆแต่ก็เกิดประทับใจเลื่อมใสในอิริยบทก็รูปร่างสง่า ง, งามของพระองค์ ก็ให้อมัดติดตามไปดูไม่ไม่กล้าไปถามหรอกติดตามไปดูว่าท่านไปอยู่ที่ไหนเมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าไปประทับอยู่ที่ภูเขาชื่อปันดะวะซึ่งล้อมรอบกรุงราชเกื้ออยู่พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้าและเป็นการเฝ้าด้วยความเคารพด้วยคือแทนที่จะไปด้วยยานตลอดก็ไปด้วยยานเพียงท่อนเดียวต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปเข้าเฝ้าแล้วก็สนทนาสอบถาม เมื่อทราบว่าใครเป็นใครแล้วท่านก็ขอให้พระโพธิสัตว์นั้นสึกออกไปบอกอย่าบวชเลยอยู่ครอบครองบ้านเมืองให้ค่อยบวชตอนแก่ดีกว่าแล้วท่านจะแบ่งกรุงแคว้นอังคะให้ปกคองคือมรดกอังคะรวมกันเป็นสองแคว้นนะมีเมืองหลวงชื่อว่ากรุงราชสึกแต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่ยอมไม่ยอมรับราชสมบัติ ทำให้พระเจ้าพิมิสาเรเลื่อมสายมากคือเห็นว่ามีพระทัยเด็ดเดี่ยวจริงๆจึงขอพอรว่าเมื่อพระองค์จัดสรู้ก็ขอให้เสด็จมาโปรดมองฉันด้วยไปกันพระตกลงว่าพระเจ้ากอรับบพระโพธิสัตว์กอรับหลังจากนั้นก็เสด็จมาโปรดอย่างที่ทราบกันในข้อนี้เรื่องสิงขาลมานบนั้นพระตกถาจารย์ท่านเล่า ว, ว่าคือตอนที่พ่อยังอยู่ เป็นลูกที่พ่อรักตามใจมากพ่อเองนั้นนับถือพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ชวนลูกไปวัดไม่ยอมไปสักทีเธอก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีถึงจะให้ลูกพบกับพระพุทธเจ้าให้ได้ก็คิดว่าไอ้คาสั่งของพ่อแม่ก่อนตายเนี่ยส่วนมากแล้วลูกจะถือปฏิบัติเคร่งครัดโดยเฉพาะในสมัยนั้นนะ ก่อนจะตายท่านก็สั่งเอาไว้ว่าเวลาพ่อตายไปให้ลูกน้อมน้อมทิศทั้งหลายทุกเช้าอาบน้ำให้เปียกชุบศีรษะให้เปียกแล้วก็น้อมทิศการนอบ้อมทิศจึงเป็นอุบายแต่นั้นเองคือพ่อก็ไม่ใช่ต้องการจะสอนให้ลูกไว้น้อมทิศในลักษณะนั้นแต่เป็นอุบายวิธีที่จะให้ลูกทำแล้วให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาพบ เพื่อระพุทธเจ้าจะได้แสดงธรรมเราจะเห็นว่าเด็กที่พ่อแม่ตามใจนั้นมันก็จะมีลักษณะเอาอะไรตามใจตัวเองแต่พอเอกบุคคลที่ตนคิดว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของตนตายไปเนี่ยเด็กจะเกิดว้าเหวแล้วก็หาที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้เพราะงั้นเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จม า, าสนทนาด้วย แล้วก็เป็นคนปูนเดียวกับพ่อของเขาแล้วก็รู้ว่าก็พ่ อ, ขอเขานับถืออยู่มันก็รู้สึกอบอุ่นคล้ายๆกับพบุญญาตไอ้ความคุ้นเคยต่างๆมันก็เกิดขึน้น เ, เมื่อพระพุทธเจ้าไปรับสั่งถามท่านก็กราบปูลไปตามเป็นจริงเวลาพระพุทธเจ้าแสดงเป็นลนักษณะกระตุ้นนะฮะเป็นลนักษณะกระตุ้นท่านจะเห็นว่าการแสดงแนวนี้กระตุ้นเฉยๆ บอกว่าในศาสนาเราก็ทำเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำอย่างนี้ท่านก็เกิดสนใจว่าทำยังไงจึงกราบทูลทำคือพระธรรมเทศนาเวลาแสดงมีอยู่เป็นอันมากที่พระพุทธเจ้าจะแสดงไปในลักษณะกระตุ้นว่าสนใจไหมถ้าสนใจก็จะเทศต่อถ้าไม่สนใจก็แล้วไปแต่ส่วนมากเมื่อกระตุ้นข้าวคนก็เกิดความสนใจแล้วพระองค์ก็ทรงแสดง ทรงแสดงธรรมะนะฮะก็ 4, 4ีแล้วก็ต่อมาต่อมาทีหลังก็เรียงมาสีข้อด้วยกันข้อแรกก็เริ่มจากกรรม ก, กิเลส4ประการนะครับกรรม ก, กิเลสคือการกระทําที่เศร้าหมองคือหมายความมาเป็นบาปเป็นบาปคําว่าเป็นบาปนั้นให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องสากลคือมนุษย์ในส่วนใดของโลกรมก็ตามมันเป็นบาปทางั้งไนไม่ใช่ว่าพุทธิสิทอิสลามอะไร เป็นเรื่องของสากลเป็นกฎของธรรมชาติเรียกว่ากรรมกิเลสถึงว่าที่จริงองค์ธรรมก็ธรรมดานะฮะคือการฆ่าสัตว์การถื อ, อสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้การประพฤติผิดในทางประเวณีและพูดเท็จนี่คือธรรมะจะมีเพียงสี่ข้ออย่าลืมว่าตรงนี้คือธรรมะไม่ใช่เรื่องศีลศีลนั้นมีห้าข้อแต่ธรรมะจะมีเพียงสี่ข้อเท่านั้นเรียกว่ากรรมกิเลส คือการกระทํำที่ทําให้ผู้กระทํานั้นเป็นบาปแล้วก็สร้งางมรจะรู้หรือไม่รู้นั้นไม่สําคัญอะไรแต่เป็นบาปด้วยตัวของมันเองเออการฆ่าสัตว์นั้นในความหมายที่เป็นกรรมกิเลส ซ, ซึ่งเป็นธรรมะนะฮะซึ่งเป็นธรรมะหมายรวมถึงการประพฤติปฏิบัติผิดที่เกี่ยวกับร่างกายของคนอื่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทุบตีหยิกขวน ฆ่าประหารทําให้ตายให้บาดเจ็บให้พิการทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับร่างกายครับมีการกักขังสัตว์การทรมานสัตว์การธรกรรมสัตว์ส า, าราพัดนะมันเป็นหมดเลยเป็นบาปทั้งหมดเลยแต่จะบาปมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับวัตถุคือสัตว์ที่เราไปทําว่ามีคุณมากหรือมีคุณน้อยเจตนาคือความจงใจในการทําว่าเรามีเจตนาแรงหรือเจตนาอ่อน แล้วความพยายามทำความพยายามมากหรือความพยายามน้อยนี่เป็นองค์ประกอบในการตัดสินแต่สรุปว่าทั้งหมดนั้นเป็นบาปยกตัวอย่างว่าการฆ่าโดยไม่เจตนาคือเราไม่รู้เลยแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปผูกใจเจ็บไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันพระเจ้ารับสั่งเล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งที่ถูกนายพรานพุ่งเหลาพุ่งห อ, อกไปแทงตาย ภิกษุก็มากราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้าก็เล่าว่าเป็นกรรมของเขาคือในชาติก่อนภิกษุรูปภิกษุที่ถูกที่ถูกถูกพุ่งเหล้าตายนะฮะเกิดเป็นเลนแต่นายพรานนั้นนายพรานนั้นเป็นภิกษุคือกลับกันนายพรานนั้นเกิดเป็นเป็นภิกษุแล้วภิกษุไปเย็บจีวรแล้วไปเสียบอลเลนตาย เสียบอเลนตายอเลนก็มนไม่ตายทันทีเอ้โหผูกใจเจ็บไปก็ปเรียกเป็นเวรตรงนี้ที่ที่จริงมันไม่ถึงกับกรรมอะเป็นเวนรภิกษุรูปนี้พอเดินสวนกับพอเห็นนายพรานนายพรานตามปกติถ้าเห็นถ้าเห็นพระเนี่ยก็ถือว่าเสน่อย่างไรเป็นอัปมงคลเลยทีเดียวคือจะหาศัตว์ไม่ได้เพราะงั้นเขาจิงช่างนักบวชมากปรากพอเห็นนายพรานมาทั้งก็หลบโลกก็าพุ่มไม้ อพอนายพรานเดินมาถึงพุ่มไม้ท่านเกิดขยับตัวต้นไม้ไหวไอ้นายพรานก็นึกว่าสัตว์มันอยู่ข้างในนั้นกาพุ่งห อ, อกเข้าไปก็แทงท่านตาแกก็ไม่ได้เจตนาเหมือนกันหรืออย่างพระเทระรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเริ่มปรารบเรื่องว่าถ้าภิกษุรูปใดพยาบาลเราก็ให้พยาบาลภิกษุขาขแทนเรามันก็เริ่มมาจาก นี่แหละเริ่มมาจากพระรูปหนึ่งนี้ท่านเป็นโรคแล้วก็เปือยกระดูกมันเปื่อยหมดกระดูกเปื่อยเริ่มมาแตกเป็ดเป็นตุ่มเรื่อยเข้ามาจนถึงกระดูกนี่เปลือยหมดแล้วก็เหม็นตัวเหม็นไม่มีใครพยาบาลพระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปพยาบาลเองแล้วเมื่อท่านฟั ง, ฟงธรรมเทศนาบรรลุมรรคผลไปแล้วนิพานนะฮะพระพุทธเจ้าก็เล่าประวัติให้ฟังว่าทําไมคนที่มีวิริสัยบา ร, รมีสูงขนาดนี้จะเป็นพระอาหารหันต์อยู่รอมรอดเลย ต้อมาเปลื่อยเละเทะเยอะเงี้ได้พระเจ้ารับสั่งวามืระชาติก่อนท่านผู้นี้เป็นนายพรานนายพรานจับจับนกฮะจับนกขายแต่ว่าก็ก็มีวิธีที่แปลกคือนกตัวไหนที่แกขายไม่ได้แทนที่แกจะขังแกจะหักปีกหักขาไว้เพื่อไม่ให้บินือไม่ได้ขังก็หักกองกองไปก็ไอเวรกรรมที่ไปหักขาสัตว์นะหักหักปีกสัตว์หักขาสัตวนะ์นั่นนี่ไม่ไม่ถึงกับตายละ ก็ทําให้ท่านเกิดขาเนี่ยมันหักมันเปื่อยกระดูกมันเละไปแต่เรื่องความดีก็สวนความดีความดีท่านก็ทำมาสายหนึ่งในเรื่องบาปก็ท่านก็ทำมาสายหนึ่งมาเจอกันในชาติที่จะบรรลุอรหัตต่างคนต่างก็สำแดงผลของเขาออกไปนี่คือกรรมที่เป็นบาปที่จริงทั้งสองท่านนี้ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรนะฮะสมัยนั้นในชาตินั้นแต่มันมันมันมันเป็นอกุศลของมันในตัวเอง เป็นบาปในตัวของมันเองไม่ว่าพุทธคริสต์อิสลามพวกปา่าแอฟริกาทึ่ไม่มีาศาสนาอะไรแต่ อ, อะรก็ตามเขาก็ทำไปแล้วก็เป็นบาปเหมือนกันเป็นกฎที่เราจะต้องชดใช้จะต้องรับนี่เราเรียกว่ากรรมอังกิเลดคือว่าเป็นเครื่องทร้าหมองสากลเนี่เป็นบาปสากรต่อไปก็พวกอธินนาทานนะฮะการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้อันนี้ก็เหมือนการทุกลักษณะ เราจะถือเอาในลักษณะใดก็ตามถ้าเจ้าของเขาไม่ได้ให้มายินยอมแม้แต่ถือของคนที่ตายแล้วนะฮะมาปัจจุบันออยังนึกกลัวๆอยู่ไอ้ไอเวลารถคว่มรถอะไรต่ออะไรวันก่อนนั่งรถผ่านมารถชนกันพอ ด, ดีเห็นศพอยู่กลางถนนเนี่ยบางคนมีแต่กางเกงในเอนงคนมันปอกหมดเลยไปดึงกันหมดเลยนึกว่าเออพวงนี้คงตายไปแล้วคงแย่เลยเนี่ย มันชดใช้กรรมที่ธารุณมากนะฮะเป็นเปๆคือแสดงถึงว่าจิตใจขี้มเกรียดเหลือเกินไม่มีความเมตตากรุณาไม่มีความสงสารกระทำย่ำหยี่แม้แต่สักศพเป็นการขาโมยเหมือนกันนะฮะถึงแม้จะของสกักศพก็ตามท่านก็สรุปรวมว่าเป็นอธินาทานทั้งหมดเป็นอธินาทานทั้งหมดทีนี้ อธินาทานเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับความแรงหรือไม่แรงนะฮะ <c oughs> ก็อีกแหละคือของที่เราลักนะเจตนาในการลักแล้วความพยายามในการลักหรือบาปมากบาปน้อยมันก็อยู่กันตรงนี้แต่ว่าทั้งหมดและทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องของบาปทั้งนั้นผลของอธินาทานก็ทรงสแสดงไว้โดยอเนกกรรมการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่ทำมาหากินอะไรมันของมันหายมีอันหายไปเรื่อย เรเกิดมาในสกุลที่ยากจนขัดสนนี่ก็เป็นผลของอธินาทานอาธินาทานจึงมีการกระทํากันมากในรูปแบบต่างๆแม้เราจะมีความรู้สึกว่าไม่เป็นอธินาทานแต่ในแง่ของธรรมะมันเป็นอธินาทานธรรมะใครจะไปอธิบายบิดเบือนไม่ได้เพราะมันมีกฎธรรมชาติไอวินนายด้วยซ้ําไปอธิบายบิดเบือนกันได้นะฮะยังใกล้ยๆกับกฎหมายเนี่ยฮะมันก็เล่นแง่เล่นมุมกันได้กฎหมาย แต่ว่าสมมติว่ากฎหมายก็ตัดสินว่าถูกแต่ถ้าเป็นผิดไอ้กฎธรรมชาติาก็ต้องรับมันเลี่ยงกันไม่ได้กฎหมายมันเป็นกฎที่มนุษย์ตราขึ้นมนุษย์ก็เบี้ยวได้แต่ว่าเรื่องกรรมนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งใครก็ไปเบี้ยวกรรมไม่ได้และการเมซุมิ ช, ชาจารแลการประพฤติผิดในก ร, รมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราถือว่าเป็นบาปสากล คือใครจะทำในส่วนใดของโลกก็ตามก็เป็นบาปสากลอันนี้ก็ทรงแสดงโทษบาปไว้มากเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นที่ที่น่าสังเกตว่าในชั้นของธรรมะนะครับในชั้นของธรรมะแล้วไม่ได้หมายถึงว่าออประพฤติผิดลูกเมียแต่ว่าหมายความว่าการล่วงเกินจำแนกสติไว้ตั้งยี่สิบประเภทมันหมดไม่เหลือเลย ไม่เหลือจตตรีเลยนอกจากปัญญาตัวเองทนั้นที่จะไปเกี่ยวข้องทางเพศได้เพราะฉน์นข้อนี้เอาก็จริงรักษายากรักษายากออพอสมควรก็ไม่ใช่ในชั้นของธรรมะฮนะปฏิบัติยากออพอสมควรเออแล้วก็มุสาวาดก็หมายถึงว่าเป็นการพูดเท็จพูดคำหยาพูดสอดเสียพูดเดืไหลไปบาปมากบาปน้อยมันขึ้นอยู่กับไอ้เรื่องที่เราพูด ว่ามีผลในทางทำลายมากหรือน้อยแล้วคนที่เราไปโกหกเขาอย่างโกหกพระอริยะอย่างเงี้ยและบาปมากที่ท่านแสดงถึงพระเถระรูปหนึ่งชื่อท่านปีรินทวัชชะคือพระอราหันต์นั้นมีอย่างนี้นะฮะพระอราหันต์นั้นละกิเลสได้แต่วาสนาทานละไม่ได้นิสัยทั้งเคยกระโดด ก, กระเดกยังไงท่านก็เป็นก็ท่านอย่างนั้นละไม่ได้อย่างภาษาดิบุตร เป็นอักขรสาวกผู้ใหญ่นะฮะเวลาเดินไปเดินไปเจอครูพอจะกระโดดข้ามได้กระโดดได้แต่พระอื่นก็จะลงเดินเรียบๆแต่ทั้งกระโดดได้ทัทง้ทงๆที่เป็นอักขรสา ว, ก, าวกรองจากพระพุทธเจ้านะ่ะพุทธเจ้ารับสั่งภิกษุไปฟ้องว่าภาษาที่บุตรไม่ไหวไม่ก็เรียบร้อยเลยกระโดดข้ามคู่พุทธเจ้าว่าจะไปโทษเธอเลยมันเป็นวาสนาของเธอชาติก่อนเธอเคยเกิดเป็นลิงมาคือก็ถนัดโดดอยู่แล้วนะฮะก็ถนัดกระโดดแล้วทั้งก็เป็นอย่างนั้นนะฮะ เพราะงั้นในเรื่องเหล่านี้บางทีพระอาราหารนันต์เราดูข้างนอกท่านไม่ได้เพราะท่านเป็นท่านอย่างนั้นจริงๆ อ, อ, อย่างพระปิรินตวัชชะนี่ใช้คาหยาบตลอดพวกใครหยาบอยู่ตรงนั้นไปถึงก็ไปเจอคนขายของก็ขายผ่านนะฮะว่าจริงๆผ่านเลยท่านถามว่าขายอะไรเจ้าถอยวัสละนะฮะไปว่าเจ้าถ่อยหรือ ถ้แปลเป็นไทยบ้านเราเห็นขนาดไอ้หาอะไรแถวๆนั้นคนะือก็ไม่ค่อยหยาบเท่าไหร่นะครับสมับคนภาคกลางแต่ว่าคนภาค อ, อื่นหยาบนะฮะไอ้ออ น, นั้นก็โกรธหาว่าพระอะไรพูดคําหยาบแกบอกขายขี้หนูคือหมายความว่าแกต้องการจะย้อนพระนะฮะแต่บอกเออขี้หนูก็ขี้หนูแล้วร แ, แล้วก็ผ่านกันไปนานนี้พอไปถึงตลาดเปิดดูเป็นขี้หนูหมดเลยเป็นขี้หนูหมดเลยต้องกลับ ต้องกลับมาแล้วก็เรียนถวายท่านบอกว่าต้องขอขามาโทษที่พูดโกหกไปก่อนที่ที่ขายนั้นเป็นผ่านท่านเออผ่านก็ผ่านเวลาไปขายก็กลายเป็นผ่านอันนี้คือคือแสดงว่าไปย่ำยีแรงวัตถุคือบุคคลที่เราพูดนั้นแรงมากท่านมีคุณสูงฮนะมันโกหกพ่อแม่โกหกอะไรตัวไหนเนี่ยผู้ใหญ่โทษมันก็มากเพราะว่าเจตนาแรงนะฮะการที่เรากล้าโกหกคนขนาดนี้แสดงว่าเจตนาเราไม่ใช่ธรรมดา เจตนาต้องแรงความพยายามก็ต้องมากและ ว, วัตถุมีคุณมากาบาปก็มากนี่ก็กลายเป็นปาบาปที่สาคล น, นะฮะทีนี้ในข้อต่อไปก็คื อ, อ, อทรงทรงเน้นไปแต่ละคำนะฮะสำนวนพระสูตรก็จะเน้นไปทุกประโยคเลยในแต่ละข้อที่ทรงแสดงนะฮะแตจงทรงทรงใช้คำว่า กาเมสุมิชฌาจารย์เป็นเครื่องสมองอย่างหนึ่งมุสาวาตเป็นกรรมเครื่องสมองอย่างหนึ่งกรรมเครื่องสมองสอย่างเหล่านี้และอริยสาวกนั้นละได้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคานี้แล้วเสร็จแล้วก็สรุปนะคือว่าผู้กเด็กวอธิบายเสร็จแล้วก็มาสรุปอีกทีนะึ่งสรุปตั้งไว้สข้อแล้วก็ขึ้นข้อใหม่ข้อใหม่ก็บอกว่าแต่ว่าตรงนี้ท่านใช้คําว่าถึงพัญญาชายอื่น ใช้คําว่าปรดาระกมนันเจวะคือถึงพัญญาชายอื่นหมายความว่าเป็นการพูดกับผู้ชายนะฮะเป็นการพูดกับผู้ชายก็ใช้คําว่าถึงพัญญาชายอื่นแต่ว่าถ้าพูดกับผู้หญิงก็ต้องพูดถึงว่าเกี่ยวข้องกับสามีของหญิงอื่นก็แล้วแต่นะฮะตอนนี้มันพูดกันคนต่อคนเท่านั้นเองต่อไปก็ทรงแสดงว่าอริยะสาวกย่อมไม่ทําการมมันเป็นบาปด้วยสถานสี่อย่างไรนะะ คือคนที่ถึงชั้นทาคติย่อมทำกรรมมันเป็นบาปได้ก็เริ่มมาเรื่อยตีอากติ4ก็เดินมาเรื่อยคือหมายความว่าไอ้ชั้นทาคติแปลว่าความลำเอียงเพราะรักใคร่กันหรือความผูกพันการเป็นการส่วนตัวซึ่งส่วนมากแล้วอากติ4ประการเนี่ยเวลาทำหน้าที่ต่างๆในทางศาสนาในพระพินายปดกนะฮะ พระวทีจะทรงกาหนดไว้หมดเลยพระที่ทำหน้าที่นั้นๆจะต้องมีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอ่างนันว่าเรื่อยพอถึงข้อสุดท้ายต้องไม่มีอาการศีทุกข้อต้องกระหนาบไปทั้งหมดกระนาไป้ด้วยอาการศีเพราะว่าโดยแง่พื้นฐานความต้องการของคนเราเราต้องการความยุติธรรมและอาการนี้คือไอๆขบวนการที่ทําลายยุติธรรมนะมันพวกอยุติธรรม พระ้ว่าเจ้าจึงส่งแสดงไว้มากแล้วก็เรียกว่าคุมไว้ทุกจุดของความเป็นในฐานะนั้นเลนทีเดียวชาวบ้านเราก็เหมือนกันคือถึงความลำเอียงเพระฉันทาคติย่อมทําบาปทํากรรมที่มีโทษได้หมายความว่าอาศัยการผูกพันกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็ทําการทําอะไรไปด้วยความชอบความผูกพันกันนั้นซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่ามันเริ่มตีตัวออกไปได้เยอะแยะนะฮะพวกพวกฉันทากตินี้ ยกตัวอย่างเช่นว่าในการตต่สีวินิจฉัยผิดถูกมีให้เราเห็นได้ทั่วๆไปอย่างว่าลูกเราไปทะเลาะ ก, กับลูกคนอื่ น, ต, นต่างๆที่เราไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะลูกฉันไม่ผิดลูกฉันไม่ผิดอันนี้อคติเต็มตัวเลยนะเพราะอะไรมันในกรณีนี้ท่านจะเห็นว่ามันมีอคติสองอย่างมันมีโมหะอคติคือเราไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรแต่ในขณะเดียวกันเราไปรับรองว่าลูกเราไม่ผิดเพราะเป็นฉัตรากติ ทีนี้เราโกรธอีกฝ่ายหนึ่งที่มาทําลูกเรากลายเป็นตัวสาคติมันกินอากาติทีเดียวสามสามอากาติได้เลยทีนี้ในขณะเดียวกันท่านอย่าลืมว่ามันกระจายตัวมันได้พวกเหล่านี้ถ้าเราเกิดฉันทากาติแล้วเนี่ยมันจะกระจายตัวมันเองแล้วมันกินได้รอบตัวด้วยคือมันจะไปเกิดเพราะความรักก็มีนะเพราะความชังก็มีเช่นอะไรนะฮะเช่นสมมุติว่านายกรเนี่ยเป็นคนที่เรารัก แล้วก็นายขอนั้นเป็นเพื่อนกับนายขอนายขอมีเรื่องเราลาเอียงข้าวกับนายข อ, ขอเพราะว่าเพราะเหตุว่าแกเป็นเพื่อนกับนายกอซึ่งเรารักทีนี้บางทีมัน <c oughs> เกิดเกิดจากความไม่ชอบก็มีนะไอ้พวกจันตากติเนี่ยเช่นนายกอที่เรารักนี่เองแต่ว่านายขนายขอเนี่ยเราไม่ชอบเป็นศัตรูกับเราเราไม่ชอบแก่ เ, เพราะงั้นเมื่อ นายนายกอเนี่ยฮะเอ๊ไม่ใช่ในายคอมาเป็นศัตรู ก, กับนายกอไม่ชอบนายกอรเราเกลียดนายคอด้วยเราเกลียดนายคอด้วยก็เลยต้องต้องหมุนกันเนี่ยพระเะจ้าบอกว่าความรักเกิดเพราะรักก็มีความรักเกิดเพราะความโกรธก็มีมันก็กินหมุนกันไปตลอดระยเวลาปัญหาเรื่องฉันทากตินั้นเป็นปัญหาที่สร้างความ ไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นในเรื่องต่างๆมีการเล่นพวกเล่นพ้องถือพวกถือพร่องสนับสนุนเฉพาะพวกของตัวคือสรุปว่าก็หมุนวนกันอยู่เฉพาะเรากับพวกเราทือเรากับพวกเราเท่านั้นการกำหนดดีกำหนดวิเศษกำหนดความสามารถจะกำหนดกับเรากับพวกเราเท่านั้นซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่สลัดออกได้ยาก พอส่วนมากแล้วเราจะทําอะไรไม่พ้นเรากับของเราเรากับของเราก้อ น, นี้ท่านมาตมาคันทีได้กล่าวไว้ไพเราะครับเนะคยท่านบอกว่าเมื่อก่อนนี้ท่านกลัวมากอะไรก็ท่านกลัวไปหมดต่อมาก็ศึกษาพินิจพิจารณาจนเอาชีวิตนี่ไปไหว้ใต้ใต้ทุลีที่เท้ามันเหยียบมีท่าเหมือนกับทุลีอย่างหนึ่งเลยท่านก็ไม่กลัวท่านใช้หลักอิงสาถูกเบียดเบียนสารพัดท่าน น, นั่นนั่นท่านไม่กลัวอะไร แล้วท่านก็บอกว่าทําอะไรเนี่ยมันต้องข้ามหัวตัวเองได้คนเราจรึงจะทํางานใหญ่นั้นจะต้องข้ามหัวตัวเองไปได้คือไม่เอาเรากับพวกเราเข้าไปเกี่ยวข้องจะวินิจฉัยแต่สินคนด้วยความรู้ความสามารถความดีของคนเหล่านั้นโดยไม่ไม่ต้องเลือกว่าคนนั้นเป็นใครนะซึ่งข้อนี้เราเห็นได้ชัดได้ชัดว่าอย่างพระพุทธเจ้าเราเนะี่ยพระพุทธเจ้าเานั้นมีไม่มีอคติจริงๆไง ตาคติก็คงจะตั้งพระราหุลเป็นอากาสาวกนะลูกชายเป็นอากาสาวกพระอนนก็เป็นอากาสาวกขวายขวาอะไตัวเนี้ยแต่อากาสาวกกลับเป็นคนต่างเมืองต่างประเทศกันเลยพุ้ยเจ้าเป็นชาวกบินระพัดแต่ว่าพวกอากาสาวกกลับเป็นกลุ่มราชเกิดึ้นนี่เราจะเห็นว่าดูที่คุณสมบัติของคนเหล่านั้นพระพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องคุณสมบัติจะไม่พูดถึงคนฮนะเวลาจะพูดถึง ความชั่วความความถูกความผิดจะพูดถึงการกระทำไม่พูดถึงผู้กระทำเพราะาพูดถึงผู้กระทำแล้วอดเอียงไม่ได้เวลาผู้กระทำมันก็ต้องเออคนนั้นลูกเต้าหลอกใครนำตระกูลยังไงเอเนี่คนที่พ่อแม่พ้อมรู้จักกับเรารเนี่ไปเองเขาไปก่ะอันนี้พ่อมเป็นจ ต, ตุเราเนี่ยก็เอียงอีกละนี่ก็คือพวกฉันถากติซึ่งมีปัญหามากฮนะมีปัญหามากอีกประการหนึ่งก็คือพวกโทษากติลําเอียงเพราะเราไม่ชอบ คือไม่รู้มันก็ปักใจขึ้นไปอย่างนั้นปักใจลงไปอย่างนั้นเท่านั้นเองว่าคนเนี้ยเราไม่ชอบแล้วในในในที่สุดมันก็กลายเป็นอะไรนะฮะที่ที่ทรงใชก้กำวมาอาคาตวัตถุคือวัตถุที่เราให้เกิดอาคาคนเราถ้าลองปักไม่ชอบนะฮะสมมติว่าปักไม่ชอบคนเนี้ยปักไม่ชอบนายกออาจจะผูกอาคาตรรบอดีตได้ นายก็เนี่ยได้ทำความเสียหายแก่เราหรือนายก็ได้ทำความเสียหายแก่คนที่เรารักหรือนา ย, ายนก็ได้ทำประโยชน์แก่คนที่เราไม่ชอบปารภอดีตได้ทั้งสามเรื่องปารภปัจจุบันก็ได้นายก็กำลังทำความเสียหายแก่เรานายก็กาลังทำความเสียหายแก่คนที่เรารักนายก็กาลังทำประโยชน์แก่คนที่เราไม่ชอ บ, ล w w, เ, ชอบเลยก็เกิดเกิดเป็นโทสากติได้บางทีปารภอนาคตหายไปเลย คาดหมายเอานายกอเนี่ยจะทําความเสียหายแก่เรานะต่อไปเนี่ยนายกอจะทำความเสียหายแกแกคนที่เรารักนะต่อไปนายกอจะทําประโยชน์แกคนที่เราเกลียดนะต่อไปเลยก็ออกมาเป็น9ออกมาเป็น9้าแนวความคิดจิตมันก็วิ่งอยู่ด้วยอํานาจของโทสะได้ทั้งสามการคือทั้งปัจจุบันทั้งไม่ใช่ทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันสรงใช้คำว่าอาคาต ว, วัตถุคือวัตถุที่ก่อให้เกิดความอาคาส์ ใจมันแสคิดมันปรุงคิดเราได้เพื่อนยิ้มก็หาว่ายอะเยอยคือถ้าเราไม่ชอบเราหาเรื่องกนได้นี่ก็คือโทสากติจึงจะเห็นว่าชีวิตของผู้ครองเรือนนั้นเกี่ยวข้องกับคนมากถ้าตกไปฉันทากติหรือตกไปโทสากติมันก็ต้องมีปัญหาทุกทีแล้วก็ไปไปอะไรฮะคือศัตรูกับเราศัตรูกับพวกเราศัตรูกับเราศัตรูกับพวกเราก็แตกออกมาเป็นพวกโทสากติ จะมีการกำหนดหมายในแนวอย่างนั้นอยู่ตลอดเลยแล้วแล้วก็ไม่พยายามมองความดีของคนดีซึ่งอันตรายเหล่านี้มีมีอยู่มากเลยนะก็เห็นจะไม่ต้องบอกวัดก็ได้นะแต่จะบอกเล่านิทานให้ฟังสักเื่มมีวัดอยู่วัดหนึ่งท่านไม่ยอมรับพระจังหวัดนครเพราะเหตุว่าน อ, อดีตการนานไกลามากประมาณสี่สิบปีป พระจังหวัดนครเคยจับผิดพวกของท่านคนนี่แล้วผิดจริงด้วยฮะแต่งตัวไปเที่ยว ง, งานภูเขาทองมัสการ์ดจับศึกได้เลยเหตุผลทางพระวินัยนะที่จริงท่านทําดีงามได้เกินแต่ว่าไม่ชอบเกิดไม่ชอบเพราะงั้นจนปัจจุบันเนี่ยท่านไม่ยอมรับพระจังหวัดนครเลยนี่คือคือคือโทสากติแล้วไปเหมาหมดทั้งจังหวัดเลยประชากรทั้งล้านกว่าคนเหมาหมดโทสากติบางทีมันก็โทสากติ ถ้าบังฝังอยู่ในสายเลือดนะฮะท่านลองนึกดูใน ใ, ใ, ในในในตะวันออกกลางเนะี่ยเห็นได้ชัดเลยเราย้อนประวัติศาสตร์พวกยิวพวกอิสราเอลพวกไอพวกพวกยิ ว, พ ว, ย ว, พ, ว, ยวพวกอาหรับฮนะอุย้ยดูไปตั้งหลายพันปีมันฝังกันมาในสายเลือดเป็นโทสากติคือไม่ดีเพราะเหตุว่าเกิดเป็นยิวไอยิวก็บอกไม่ดีเพราะเหตุว่าเกิดเป็นพวกอาหรับเท่านั้นเองโดยไม่เอาอย่างอื่นมามาพูดนี่คือพวกโทสากติมันแรงมาก ทั้งหมดเนี่ยคือทั้งหมดมันแรงที่ทําให้โลกเอียงวุ่นวายอยู่เนี่ยเพราะอาคติสี่ประการทั้งหมดเนี่ ย, ยโทสาคติมันกระจายตัวมันได้แล้วก็อีกจันทรหนึ่งก็คือพระยาคติเป็นการลําเอียงเพราะความกลัวนะฮะความกลัวไอ้นี้ไม่มีเหตุผลอะไรหรอกคือกลัวอย่างเดียวประเภทพวกอะไรขุนพลอยพยักทั้งหลายขุนพลอยพยกักคือถ้าเจ้านายท่านว่าอย่างนี้แล้วถูกต้องเรียบร้อยดีงามไม่มีเหตุมีผลอะไร ไม่ต้องไปชี้แจงเหตุผลกันเพราะเรากลัวท่านเราไม่กล้าใช้เหตุผลออพอสมควรเพราะว่าสัญชาตญาณของมนุษย์ในอัตราเฉลี่ยจริงๆนะฮะมีเป็นจํานวนมากที่ต้องอาศัยกลัวเข้ากันนาอาศัยกลัวเข้าควบคุมพฤติกรรมของคนเหล่านั้นเราไม่ต้องดูอย่างอื่นนะฮะอูดูบ้านเรานี่เองท่านลองดูว่าในภาวะวิกฤตการแล้วเราใช้ความกลัวเป็นประโยชน์ทุกที ใช้ความกลัวเป็นประโยชน์อย่างพระนเรศวรกู้ชาติพระเจ้าตากสินกู้ชาติก็ใช้ความกลัวให้เป็นประโยชน์แต่ให้กลัวพระองค์ให้กลัวให้กลัวพระองค์ยิ่งกว่ากลัวความตายแล้วก็กู้ชาติบ้านเมืองได้แล้วแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ใช้อํานาจเด็ดขาดแก้ปัญหาวิกฤตการณ์คนเกิดความกลัวอย่างสมัยจมวันสลิดอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็ใช้ได้นะฮะแต่หมายความว่าคนที่เป็นที่ตั้งแห่งความกลัวนั้นต้องดี แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้พอสมควรทีนี้ในแง่ที่ที่มันเอียงนะฮะเราจะจะเห็นว่าคือบางเรื่องที่เรากลัวเรื่องไม่เป็นเรื่องเอาอะไรไม่รู้มากลัวแล้วก็สร้างขึ้นมาคล้ายๆกับเป็นภูเขาหล่กกาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปแล้วในที่สุดก็เกิดความลำเอียงในเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะคือกลัวอำนาจเขากลัวเงินเขากลัวบารมีเขากลัวพรรคพวกเขา กลัวจะถูกออกราชการในสารพัดฮะสารพัดอย่างข้าราชการผู้ใหญ่บางทีนี่เป็นตั้งสี่สิบแล้วนะยังนั่งตัวแข็งเงียบกลัวไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจมีความทีเริ่มสงสารกลัวกลัวจะออกจาตําแหน่งฮกลัวจะต้องหลุดกลัวจะต้องเสื่อมเสียกลัวจะหนังสือพิมพ์จะด่าอะไรต่วไหนนี่สารพัดกลัวก็ต้องว่าพวกพวกนี้มีส่วนในการสร้างให้คนเราเสียไปเยะนับที่ท่าน ท่านเล่าเป็นนิทานก็นิทานพื้นๆนะฮะที่บอกว่าราชสีพิสูจน์กลิ่นปากอ๋อท้าแม่คนโน้นบอกมาหมายกลิ่นปากท่านเหม็นอ้นนี้มันดูหมินเลยกัดเลยบอกว่าแมกลิ่นปากขอไอ้นี่โกหกเลยกัดต่อไอ้หมาจริงจอกเห็นท่าไม่ดีเลยบอกวันนี้เป็นวัดพิสูจน์กลิ่นไม่ได้เลยก็รอดตัวไปคือเออนี่เราเราจะเห็นได้ว่าการเกี่ยวข้องกับคนที่เรามีจิตประกอบด้วยชั้นผากันติคือเอียงนะฮะ เอียงแล้วก็เอียงด้วยความรักโทสากติเอียงด้วยความกลัวพยาคติเอ้ไม่ใช่โทสากติเอียงด้วยความไม่ชอบกันไม่ชอบกันเป็นการส่วนตัวแล้วตีลูกออกไปได้แล้วพยาคติมันก็กลัวกันไปเป็นแถบไปได้อีกประการหนึ่งก็เรียกโมหะกติคือลําเอียงเพราะหลงไอ้ น, นอี้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ใช่เหตุผลอะไรไม่ได้เข้าใจเหตุผลอะไรที่เรายอมสยบนะฮะ เรายอมออคือหยุดนิ่งไม่ยอมใช้เหตุผลอย่างในในปัจจุบันนี้ฮะพวกหมอเขาว่านะฮะพวกหมอพวกหมอทางจิตนี่เขาสำรวจมาว่าคนเรามีส่วนไปปักใจไปฝังใจไปเชื่ออำนาจภายนอกคือเชื่อพวกทรงเจ้าเข้าผีพวกหมอดูพวกอะไรตัวใดนี่ฮะโดยเฉพาะสุภาพศรนีนะฮะแต่ว่าที่นี่คงคงไม่มีมีอยู่ตั้ง 73% ็ดิบสาเอร์เซนตนะฮะ นี่ตั้ง 73% นี่คือแสดงเราหลงเราหลงเราเราไม่ยอมคิดในปัญหาประเด็นเหล่านั้นแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เอียงไปตามเจ้าแม่ท่านว่าอย่างเงี้ยเจ้าแม่ท่านว่าอย่างงี้เจ้าพ่ออย่างว่าอย่างงี้ไม่มีเหตุผลก็เจ้าแม่ท่านว่าอย่างเงี้ยก็ถามว่าทาไมทําอย่างนั้นก็เจ้าแม่ว่าอย่างเงี้ยเจ้าพ่อว่าอย่างเงี้ยหมอดูว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ทําไปอย่างเงี้ยนี่คือความลำเอียงทั้งหมดความลำเอียงด้วยอํานาจอคติทั้ง4ประการอคติคือไม่ได้ไปตามทางที่ควรจะไปนะครับ คติแปลว่าทางอกติก็คือไม่ไปตามทางทีนี้เมื่อเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสรุปนะฮะทรงสรุปว่าดูก่อนเครื่องบอดีบุตรเมื่อใดแลอริยาสาวกไม่ถึงฉันทากติไม่ถึงโทสากติไม่ถึงพยากติไม่ถึงโมหากติอริยาสาวกย่อมไม่ทํากรรมอันเป็นบาปด้วยสถานสีเหล่านี้คือถ้าเราไม่ลำเอียงและเราไม่ต้องทําบาปไม่ต้องทําบาปเพราะความชอบกันเพราะความ ไม่ชอบกันเพราะความกลัวหรือเพราะความหลงต่อไปก็ทงสรุปว่าสรุปนะสรุปอีกทีหนึ่งว่าผู้ใดประพฤติล่วงทำเพราะความพอใจเพราะความโกรธเคืองเพราะความกลัวเพราะความหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมถอยแล้วก็สรุปต่อไปว่าเ ห, เหมือนพระจันทร์ในข้างแหลมคือมันจะเสื่อมไปเหมือนพระจันทร์ข้างแหลมแล้วก็หายไปมืดตึืต้อไปเลย ผู้ใดไม่ประพฤติล่วงทำเพราะความพอใจเพราะความโกรธเคืองเพราะความกลัวเพราะความหลงยศของผู้นั้นย่อมเจริญเหมือนพระจันทร์ในข้างขึ้นต่อไปก็ทรงสแสดงคําว่าอริยสาวกนะคำว่าอริยนะยนั้นบางทีก็แปลว่าผู้ประเสรศิฐผู้ประเสรศิฐซึ่งหมายความว่าผู้ประเสริฐในโลกนี้ก็ไม่เสพทางแห่งความไม่ท่านแปลยิงท่านแปลว่าทางฉิตผายนะฮะ คืออบายามกเนะี่ยอบายะแปลว่าหาความเจริญไม่ได้คือมีแต่ความเสื่อมเราก็แปลนิ่มๆเราคําว่าจิบหายคนเขาฟังมันแรงฮนะภาษาไทยเนะี่ยฟังแรงแต่ภาษาบาลีเขฟังไม่ได้แรงอะไรแนละ้วเราก็แปลว่าทางแห่งความเสื่อมตัง้งความเสื่อมหประการนะฮะคือคือไอการแสดงหนี้ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจนะว่าสิงคารมานบนั้นท่านยังเด็กยังหนุม่มเป็นคนในวัยหนุม่ม ทูตเจ้า ก, ก็แสดงอบายยมุขเพียง6ข้อแต่บางคราเป็นผู้ใหญ่น้อยจะผู้ใหญ่ขึ้นหน่อยหนึ่งก็แสดงเป็น4ี่ข้อแต่นั้นเองแต่บางครั้งแสดงสมข้อก็มีแสดง7จ็ดข้อก็มีแสดงถึงยีกว่าข้อขก็มีก็ไม่แน่นะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าแสดงแก่ใครแต่นั้นเองแต่ว่าอย่าลืมว่าไม่ว่าคนจะอยู่ในวัยไหนก็ตามคือถ้าตกไปในหลุมอบายยมุขแล้วก็ถือว่าเป็นทางเสือ่อมโดยการทั้งหมด นี่ข้อความในพระสูตรตอนต่อไปจึงทรงแสดงว่าดูก่อนเครื่องบดีบุตรแต่ความประกอบการดื่มน้ําเมาคือเหล้าและน้ําดองเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งเนืองเป็นเหตุเครื่องจิบหายแห่งโภคะสมบัติอย่างหนึ่งหรือทางเสื่อมแห่งโผขะสมบัติอย่างหนึ่งการเที่ยวดูการเที่ยวกลางคืนในตรอกมืดมืดในการผิดเวลาหนึ่งเนนะืองหนึ่งเนืองนะฮะเทศทีึหนึ่งเนืองเวลาเราแปรเราแปลว่านักเล็ก สมเด็จพระมหาสมณเจดทรงแปลว่านักเลงนักเลงเล้านักเลงเที่ยวกลางคืนนักเลงเล่นการพนันฮะเคษียณกรรมว่านักเลงคือเป็นนิติศีลนะไม่ใช่ว่าเป็นการเป็นบางครั้งบางคราวบางโอกาสแล้วก็การเที่ยวดูการและเล่นการเล่นการพนันนะฮะการคบคุนชั่วเป็นมิตรการเกียรติคร้านทาการงานสรุปว่าเป็นเหตุแห่งเครื่องจิบหายของพวกกษัริยบัแต่ละข้อแต่ละข้อ แล้วก็สรุปว่าดูกรเครือเครื่องหัมบดีบุตรเหล่านี้แลโทษหอย่างคือต้องเว้นโทษ6อย่างเว้นโทษมาสแล้วก็4แล้วก็6แล้วก็ประกอบด้วยธรรมะต่อไปอีก4กี <c oughs> ่ข้อการดื่มน้าเมาคือล้าและของดองอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งๆ น, นั้นก็ทรงชี้โทษไว้เสร็จอย่างละ6อย่างละ6ซึ่งแต่ว่าการตามความเป็นจริงในปัจจุบันแม้จะมีการ ศึกษาโคลนควาโทษของสุราสูงขึ้นก็ตามแต่ถ้าเรามองให้ดีนะฮ ะ, ะว่าพระพุทธวัจนะนั้นเป็นถ้อยคําสั้นๆแต่ว่าจะคลุมเนื้อหาไว้มากที่ว่าเรียกว่าถ้อยคําที่เป็นสุภาษิตก็ทรงเริ่มที่ว่ากันหนึ่งก็ความเสื่อมทรัพย์อันผู้กินเหล้าจะเห็นด้วยตาเองอันนี้เห็นได้ชัดนะประเด็นนี้มัน ม, น ม, นมนัถ้าพูดกับนักเลงเล้าแกก็พูดได้ก็กินข้าวก็เสื่อมทรัพย์คือคือมันก็เสื่อมทรัพย์ด้วยกันนั่นแหละ แต่ว่าเราจะเห็นว่าทรัพย์นั้นเป็นประการหนึ่งทึ่เสื่อมไปการเสื่อมบางอย่างนี้เป็นการเสื่อมเสื่อมสมค่าคือคุ้มค่าอย่างรับประทานอาหารนี่มันก็คุ้มค่าซื้อเสื้อผ้ามันก็คุ้มค่าแต่ว่าเหล้านั้นมันไม่คุ้มค่านี่นะก็ทําให้ทรัพย์นั้นเป็นของไม่มีค่าไปถึงแม้จะพูดว่าเสื่อมทรัพย์ด้วยกันนะ่ยแต่ว่าไอ้ดื่มสุรามันมันทรัพย์ที่เสื่อมไปไม่สมกับค่าของทรัพย์เหรานั้นไม่คุ้มกับค่าอย่างในปัจจุบันในนิยมเล่าอ้ละครอยากคนอยากกันเยุ่งไปหมดอ่า จึงจงมัก็แพงรุนแรงขึ้นแล้วเราก็สูญเสียเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นแลก็ข้อที่สองนั้นเป็นเหตุแห่งความทะเลาะกันเล่าเป็นเหตุทำความทะเลาะกันให้เจริญอย่างหนึน่อันนี้จำนวนบาลีคือหมายความว่าคืออาจจะเริ่มมาจากการถกเถียงการพูดขัดแย้งการเพราะเล่าเป็นเหตุแล้วก็ในที่สุดก็เมามากข้าแล้วก็ทุบตีกันเองบางทกีก็กอดคอกันไปดื่มเหล้านะฮะ แล้วก็ไปกทุบตีกันในวงเหล่านั้นนี่ก็เป็นภาพที่เราเห็นได้เป็นบ่อกเกิดแห่งโรคทั้งหลายนี่ก็พวกหมอทั้งหลายเขาก็บอกว่าเยอะแยะไปหมดในปัจจุบันนี้ก็เป็นทางเกิดแห่งโรคแล้วก็ท่านใช้คําว่ า, ายังความลินทาให้เกิดคือคนเขาเขาค่อนแคะเขาตา ห, หนิตําหนิตีเตียนการกระทําเช่นนั้นแล้วก็ไม่ละอาย คนเวลาดื่มเหล้าจนจนเดียเนี่เราต้องมีภาสิทธิขึ้นมานะฮะเพื่อจะควบคุมไในจิตใจของคนว่าอจะถือคนบ้าจะว่าคนเมาเพราะบางคนมอมก็เลเอะเทอะพอสมควรคือบางทีอาการกระทําที่ไม่ควรละอายไม่ว่าอะไรก็ตามะฮะไออิรยาบดเหล่านี้ท่านที่อยู่นอกวัดก็เห็นได้ชัดกว่าคนที่อยู่ในวัดนะครับพบเรื่องนี้บ่อยๆแล้วก็ปัญญาย่อมเสื่อมถอยนะฮะปัญญาเสื่อมถอยคือทําให้สมองทึบปัญญาทึบลงซึ่ง ในขอน้อนี้ท่านที่เคยศึกษาวันในคดีมาก็คงจะอาจจะไม่ค่อยเชื่อนะฮะเพราะว่าจิตบูรศน์เวลาแกจะแต่งโครงได้แกต้องดื่มเหล้าวเสก่อนหรือสุนทรภู่เวลาจะดื่มเหล้าแกต้องเอ อ, เอไม่ใช่เวลาจะแต่งหนังสือแกดื่มเหล้าก่อนแต่เราจะเพราะว่านั้นคือเป็นอุปาทานลวงคล้ายๆกับพวกนักสูบบุหรี่ทั้งหลายเนี่ยฮะแกบอกว่าต้องสูบบุรี่จึงจะคิดออกที่จริงแกไปสร้างเงื่อนไขลวงตัวแกเองเท่านั้นเอง คือคื อ, ค, อคือเอาความคิดกับบุรี่มาบวกกันคือต้องมีทั้งบุหรี่ต้องบุหรีต้องมาก่อนจึงจะคิดได้แต่จริงถ้าหากว่าเลิกสู่บุหรีมันก็คิดได้เหมือนกันกนะปกราที่ไม่สู่บุรี่เยอะแยะไปสุภาพสตรตีตั้งหลายตั้งก็คงจะราวเกาสิไม่สู่บุรี่ก็ทําไม่คิดได้ทํางานได้มันก็คือกันนะนนี้ก็แล้วก็สูนตอนผู้เองกเหมือนกันก็ตอนหลังท่านก็ไม่ดื่มแล้วก็แตกหนังสือได้เยอะแยะนี่ก็ เป็นการเชี่ยวเห็นว่าพระพุทธวจนะเหล่านี้เป็นเรื่องที่ที่ที่ก็มีอยู่อย่างเหมือนเดิมฮะในปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรใดแล้วก็ต่อไปก็ทรงสรุปนะฮะสรุปว่าการเที่ยวกลางคืนในตอกมืดมืดในการผิดเวลานะแม้ตัวของผู้เที่ยวกลางคืนนั้นก็ชื่อว่าไม่สงวนรักษาตัวไม่สงวนรักษาตัวเองแล้วก็ไม่สงวนรักษ า, าลูกเมียนะฮะ ชื่อว่าไม่รักลูกเมียพูดง่ายๆว่าชื่อว่าไม่รักไม่ห่วงใยลูกเมียไม่รักษาทรัพย์สมบัติแล้วก็เป็นที่รังเกียจทังคนทั้งหลายแล้วอาจจะถูกใส่ความได้ง่ายๆก็เรียกว่าอะไรคือคือหลับโรงโปอย่างที่โบ ร, ราณ น, นะพูดวาหลับรงโปคือเราไม่ได้เล่นหรอกแต่ไปนอนหลับเข้าก็โอกาสที่จะถูกจับได้ต่อไปก็ทรงชี้ถึง การการละเล่นนะฮะโทษของการดูการละเล่นสมัยก่อนก็ก็มีไม่มากจึงทรงชี้ไว้เพียงอะไรนะฮะรำที่ไหนไปที่นั่นขับร้องที่ไหนไปที่นั่นดีสีที่เปล่าที่ไหนไปที่นั่นเสภาที่ไหนไปที่นั่นเถ๋อเติงที่ไหนไปที่นั่นปลมือที่ไหนไปที่นั่นคือสมัยก่อนมันการเล่นไม่มากแต่ในปัจจุบันคือสรุปประการละเล่นทุกชนิดนะฮะการเล่นทุกชนิดถ้าหากว่าเราไปเรื่อยไปความเสื่อมมันก็เกิด เกิดมากขึ้นโดยเฉพาะเสื่อมทรพัพยเสื่อมสุขภาพพลานาไม้ไอ้ต่างๆเนี่มากมายนะฮะต่อไปก็โทษเล่นการพนันซึ่งทงเน้นไว้หข้อเช่นเดียวกับข้ออื่นๆคือทั้งหมดนี่จ ะ, จ ะ, จ, ะจะเรียงเพียงหข้อไว้นะฮะว่าการเล่นการพนันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถึงเนืองคนเล่นการพนันนั้นโทษประการแรกก็คือชนะก็ก่อเวท ชนะก็เว้คือให้เพื่อนก็แก้แค้นที่จะมาชนะอีกคือชนะคืนให้ได้ถ้าว่าเวลาตัวเองแพ้ก็เสียดายทรัพย์แต่ทรงใช้คําว่าคนอื่นชนะย่อมเศร้าโศกถึงทรัพย์ที่เสียไปตํานวจที่ทรงใช้จริงๆนะฮะแล้วก็ความเสื่อมทรัพย์ของผู้เล่นการประณานนั้นจะเห็นด้วยตาเองคือเห็นเองนะมันก็เห็นได้ง่ายถอยคํา ค, คนเล่นการประณานนั้นเชื่อถือไม่ค่อยได้ ปีท่านผู้ใหญ่ในราชการนะฮะโดยเฉพาะในปปปเคยคุยกันท่านบอกข้าราชการที่น่ากลัวที่สุดคือข้าราชการที่เล่นการพนั้นคอรัปชันง่ายมากคือบางทีนี่ยืมก่อนนะฮะยืมไปก่อนว่าไปจะจะไปแก้ตัวหน่อยเลยเลยมันเข้าไปทั้งต้นทั้งทุนหายไปเลยแล้วก็ในที่สุดนำมาคืนไม่ได้ก็กลายเป็นเรื่องคอรัปชันเรื่องโกงกินที่เรียกว่าการพนันมันบีบ โดยเพื่อนอัตยาศาัยท่านอาจจะไม่มีก็ได้แต่ว่ามั น, มนคล้ายๆอะไรคล้ายๆจะแก้ตัวคล้ายๆจะแก้ตัวแล้วก็ไปเล่นการพนันข้าวเลยก็ไปกันใหญ่ถอยคำของคนที่เล่นการพนันที่เขาอ้างเป็นพยานเนี่ยฟังไม่ขึ้นบอกฟังไม่ขึ้นเป็นที่ดูหมิ่นของเพื่อนฝูง แล้วก็ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยนะฮะทั้งผู้หญิงผู้ชายนอกจากนักเลงการพนันด้วยกันก็ไม่แน่ก็สรุปว่าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอีกประการหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็ทรงแสดงโทษของการคบคุณชั่วเป็นมิตรนะฮะคนชั่วเป็นมิตร น, น, น, นั้นคือสามารถที่จะดึงเราไปเป็นนักเลงการพนันก็ได้เป็นผู้นักเลงเจ้าชู้ก็ได้นักเลงล่าก็ได้รวมกันอื่นหรือของปลอมก็ได้โกงข้อตั้งซึ้งหน้าก็ได้ ก็ก็เรียกว่าคบคนใดก็จะเป็นเช่นนั้นไปอาศัยการครบคนชั่วเป็นมิตรเราก็จะเป็นตามคนชั่วประเภทนั้นไปด้วยเพราะถูกถูกดึงไปบ้างถูกไอถูกบีบบังคับบ้างอะไรก็แล้วแต่เป็นข้อที่สั่งสอนแบบง่ายๆธรรมดาสามัญ น, นะฮะต่อไปก็พวกเกียรติค้าทำการงานอันนี้ก็คือพวกอ้างปัดเพี้ยนอ้างรอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนร้ อ, รอนหนักขิวหนักกระหายนักเจ็นแล้วสายแล้วงเช้าอยู่ เป็นต้นเนี่ยฮะแล้วก็ไม่ทำการงานแต่การอ้างในลักษณะนี้ก็เมื่ออ้างเสร็จมันก็จบเพราะว่าคนคนเรายังไงมันก็อยู่ในแวดวงของสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไปอ้างข้าวมันก็จบกันคือก็ไม่ไม่ต้องทำงานเพราะว่าวันเวลาไม่เช้าก็สายไม่สายก็บ่ายไม่บ่ายก็เย็นนะฮะไม่หิวก็กระหายนะฝนไม่ตกแดดก็ออกก็ก็หมดกันต่อจากนั้นชง แสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดคํานี้แล้วก็ทรงสรุปนะฮะเพื่อนในโรงสุราก็มีเพื่อนกล่าวแต่ปากเพื่อนก็มีนะฮะก็สรุปเป็นเป็นพวกปาประมิทธ์เพื่อนกล่าวแต่ปากก็มีเพื่อนผู้ใดเมื่อความต้องการเกิดขึ้นช่วยเป็นสหายผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนแท้ แล้วก็ทรงแสดงโทษอีกประการหนึ่งนะฮะซึ่งซึ่งส่วนมากก็แสดงโทษแก่ผู้ชายนะฮะการนอนสายการเกี่ยวข้องกับพัญญาชายอื่นความประสงค์เวรเป็นผู้ที่ทำแต่สิ่งไม่เป็นประโยชน์ได้มิตรชั่วเป็นผู้สนีดเหนียวแน่นเหตุทั้ง6ประยางหกประการนี้ก็เป็นทางเสื่อมอีกประการหนึ่งนะฮะเป็นทางเสื่อมอีกประการหนึ่งก็มาสรุปไว้ต่อไปก็ทรงแสดงเรื่องปาปมิตรคือมิตรชั่ว มิตชั่วไว้เป็น4ก็กมิต ด, ดีไว้เป็น4แล้วก็ส่งแสดงลักษณะให้สังเกตกําหนดพินิจพิจนามิตรแต่ละประเภทเอาไว้ด้วยเพื่อจะให้ได้สังเกตเอาไว้ถึงว่ากันที่จริงไอ้ความสังเกตนะมันก็สังเกตยาก เ, เช่นคนเราที่เป็นคนรวยคนมีอำนาจคนเป็นใหญ่เนี่ยมันดูไม่เคยออกว่าใครเป็นมิตรแพ้ใครเป็น ต่ศัตรูในร่างของมิดจึงึงซึ ง, งเป็นเรื่องที่คนที่อยู่ในฐานะเหล่านี้ก็มีปัญหากันอยู่ตลอดแต่พระพุทเจ้าก็ทรงประทานหลักสังเกตเอาไว้นะฮะว่ า, าคนที่มีมิดชั่วมีเพื่อนชั่วมีความระพฤติโครจรชั่วนี่เสื่อมทั้งสองอย่างคือจากโลกนี้และโลกหน้านี่ก็ทรงแสดงโทษในการขบหากับมิรชั่วต่อไปก็ การพ น, นันและหญิงหนึ่งสุราหนึ่งพร้อรมรำกับร้องหนึ่งนอนหลับกรางบันบมเรอตนในสมัยไมิใช่การมีชั่วความเป็นผู้สนิทเหนียวแน่นหญิงนักเหตุหกอย่างนี้ก็ทําให้เสื่อมจากสุขประโยชน์ก็ว่ามาเรื่อยออจนถึงเล่นการพ น, นันดื่มสุราถึงพัญญาที่รักเสมอโดยชีวิตของชายอื่นคบแต่คนต่ําช้าไม่คบหาคนมีความเจริญชื่อเสียงยศศักดิ์ของคนนั้นย่อมเสื่อมดูจประจันในข้างแแบแล้วก็ทรงชี้โทษของสุรามาอีกนะว่า ผู้ใดดื่มสุราไม่มีทรัพย์หมดความขวนขวายในการงานเป็นคนขี้เมาปราศจากทรัพย์จากจมหนี้อยู่ดุดก้อนหินจมน้ํทาทำความบุ่นวาให้แก่ตนเร็วคนมักนอนหลับในกลางวันเกียดชังการลุกขึ้นในกลางคืนเป็นคนมามาอยู่เป็นนิดเป็นนักเลงไม่อาจจะอยู่ครอบครองแย่เรือนได้ประโยชน์ทั้งหลายย่อมเป็นไปล่วงชายหนุ่มที่สลละละทิ้งการงานโดยอ้างว่าหนาวนักร้อนนักหิวนักกระหายนากเป็นต้น ผู้ใดไม่สำคัญหนาวและร้อนยิ่งกว่ า, า่ญ้าทมกิจของบุรุษผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขเลยก็ทรงชี้ประเด็นของความเสื่อมในการคลองเรือนไว้นะฮะซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วถ้าหากว่าคนเหล่านั้นนิหลับในตอนต้นคือเว้นจากพวกกรรมกิเลสได้เว้นจากจันทาคติได้ไอแถวนี้มันก็แก้ไปได้จากนั้นได้รับสั่งว่าดูกรคือมาด คือบดีบุตรคนสี่จำพวกเหล่านี้ท่านพึงรู้ว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่มิตรชั่วก็ส่งชี้มิตรชั่วที่เรียกว่าปลาประมิตรคือมิตรปอกลอกนำสิ่งของต่างๆเพื่อนไปถ่ายเดียวท่านพึงรู้ว่าไม่ใช่มิตรแต่เป็นมิตรเทียมคนดีแต่พูดคนหัวประจบคนที่เป็นเพื่อนในทางฉิบหายคือแต่ละคนแต่ละคนนี้ให้รู้ว่าไม่ใช่มิตรทั้งหมดเลยแล้วก็สงชี้ลักษณะว่าคนปอกลอกนั้นเป็นยังไงบ้าง มิตรประเภทแรกที่เรียกว่ามิตรปลอกลอกนะั้นคือปลอกลอกเอาไปถ่ายเดียวปราทานาจะได้ของมากแต่ให้ของเล็กน้อยเช่นว่าพวกอ่อยเยือทั้งหลายนะเอาของขวัญมาให้อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ต้องการผลประโยชน์ที่มากกว่านั้นเมื่อมีภัยแก่ตนแก่เพื่อนเอาพี่เป็ น, เ ป, นเป็นที่พึ่งความนักไม่ได้ประเภทมิตรปลอกลอกบางทีมันก็ต้องพิสูจน์ก็พิสูจน์ยากแล้วก็ ก็เพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตนอย่างหนึง่งนานๆเวลาโผล่มาทีหนึ่งก็รู้ว่าเพื่อนบางคนมาทีนึงก็ก็มีปัญหามาให้ช่วยแก้นานๆจึงจะเจอกันทักทีหนึง่งนึกว่าเขาจะมาเยี่ยมเยียนแท้จริงก็มาเพื่อประโยชน์ของเขานี่ก็คือมิตรประเภทปลอกลอกทรงให้หลักสังเก ต, ตเอาไว้เ อ, อแล้วก็คนดีแต่พูดนั้นคือคนประเภทไหนคือเรื่องที่ผ่านแล้วมาพูด พูดเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะฮะเ ว, เวลาเจอกันสมัยนั้นสมัยนี้ก็อ้างไปเรื่อยได้โดยไม่ยอมพูดในเรื่องปัจจุบันแล้วก็พูดเรื่องอนาคตต่อไปจะเป็นอย่า ง, งั้นอย่างนั้นอะไรต่ออไรอย่างที่นิทานที่เขาเล่าเล่าไว้ว่าเพื่อนสองคนที่เดินไปนะฮะว่าถ้ามีอันตรายเกิดขึ้นในระหว่างทางจะเอาหลังชนกันต่อสู้เผชนนิญอันตรายอะไรต่ออะไรเรียกว่าร่วมตายด้วยกัน พอเอาเข้อจริงปรากฏว่าไอคนที่พูดนั้นวิ่งหนีไปทันทีพอเจอหมีมาตัวเดียวนี่ก็คือหมายความว่าก็พูดเรื่องที่ยังไม่มาถึงแต่พอมาถึงมันก็พิสูจน์ได้ว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเป็นเพื่อนแท้พอมีกิจเกิดขึ้นฮอ้างเหตุขัดข้องสารพัดเลยบอกว่าแหมถ้าคุณมีงานอะไรเราก็บอกผมจะมาช่วยอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพอมีการโอ้แหมติดธุระเลยแะญาติทางบ้านตายนี่ก็โทรเลขด่วนมานนก็ไปเลยเกเรียกว่า เพิ่งพาอาศัยเขาไม่ได้แต่ก็จะอ้างเล่ให้เราเห็นว่าเพราะเพราะเขาเป็นคนพูดเก่งเนี่ยฮะทรงชี้ในตอนสรุปเหมือนกันหมดนะฮะว่าคนดีแต่พูดท่านพึงรู้ว่าไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรด้วยสถานศีเหล่านี้แหละต่อไปก็คนช่างประจบสอบพอนะอ่ะอ้นี้ก็คือทําชั่วเพื่อนทาชั่วก็คล้อยตามทําทดีก็ดีตามก็ไม่รู้แหละอีวันพวกสอพอเฉย ก็แบบพวกขุนพลอยพยักนะฮะที่ลวกลวกพวกลูกน้องพังเพราะเจ้านายอไเนี่ย พ, พวกสอสอพลทั้งหลายปัจจุบันในเขาเรียก อ, อะไรนะปอจอปริญญาปอจกอ็คือพวกสอพลนะฮะมันมันมันไม่ยอมช่วยเราจริงอนะอะไรก็ดีไปหมดที่จริงคนส่วนมากเขาก็ชอบนะฮะ ร, รู้สึกว่าตัวเองก็ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าคนที่เป็นผู้หักผู้ใหญ่มีเหตุมีผลเขาก็ถือว่า ไอดีไปทุกอย่างเนี่ยเป็นไปไม่ได้ต้องมีการท้วงติงมีการแนะนําแก้ไขกันพอสมควรไอ้น่ะอะไรก็ดีไปหมดนะเพื่อนว่าดีก็ดีด้วยเพื่อนว่าไม่ดีก็ดีด้วยแต่ตอนหน้าแล้วก็สรรเสริญยกย่องเสียดย้อยนะฮะพอรับหลังแล้วก็นินทาเรียบร้อยเหมือนกันนี่คือพวกประจกสอพรโบราณเราในรู้สึกจะรู้พิษภัยของคนพวกนี้มากเราจึงมีคําในแนวนี้มากเช่นว่าอะไรต่อนหน้ามาพรับรับหลังตะโกนะฮะ ปากหวานคน้นเปรี้ยวหน้าไหว้หลังหลอกอะไรเนี่ยแต่แถ น, นี้คือว่าโบราณนี่เขาเขาเห็นคนประจบสอบพลอนี่ยมากแล้วก็ดรูรู้สึกจะหาได้ยากไปด้วยเออจะหาได้ง่ายไปด้วยเวลามีส่วนมากเราก็ต้องอยู่ในฐานะดีนะฮะเขาจึงจะมาประจบสอบพลอไม่ว่าอาจจะเป็นตาแหน่งอาจจะเป็นอะไรตัวไรก็ตามเราดีเพื่อนเหล่านี้เขาก็มาประจบสอบพลอต่อไปก็เพื่อน ชักชวนในทางฉิบหายก็เนี่ฮะชักชวนในการเที่ยวกลางคืนดูในการเล่นการเล่นการผานันคือช่วนมแน่ทางเสียก็แล้วกันคือสรุปว่าปัจจุบันนี้ก็มีไอ่ไอ่สิ่งที่เสี ย, เ, สยเยอะนะอย่างพวกเด็กๆในปัจจุบันก็อะไรชักชวนไปสูตทินเนอร์ทินเนอร์เลยก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ชักชวนในทางฉิบหายชักชวนในทางเสือ่อม มีข่าวมาจากอะไรรวมมิติาศาสตร์ที่เขาบอกว่าจะให้ผสมสารอะไรลงไปในทินเนอร์เพื่อจะกำจัดกลิ่นที่เด็กชอบออกไปนี่ถ้าทำได้ก็คงจะเป็นประโยชน์แกเด็กมากนะฮะเพราะปัจจุบันในเด็กเราเมาทินเนอร์กันเป๋ไปเป๋มาอยู่กลางถนนน่าแย่ลนะเอ่อเสร็จแล้วก็ส่งสรุปอีกทีนะฮะคือทุกคราวเนี่ยจะต้องสรุปทุกทีเพราะว่าอย่าลืมว่าพูดแกเด็กนะฮะกับเด็กแล้วก็ไม่มีหนังสือไม่มีเทพจางสมัยโบราณ พอมาถึงจุดหนึ่งพระเจจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงเพื่อให้กระจำได้ง่ายฮะเนื่องจากขยายมาเยอะก็บอกว่ามิตรปอกลอกนำไปถ่ายเดียมิตร ด, ดีแต่พูดมิตรกล่าวคําประจบมิตรที่เป็นเพื่อนในทางจิบหายบัณฑิตมารู้แจ้งคนสี่จำพวกคือหมายความว่ารู้ประจักษ์ชัดว่าคนเหล่านี้เป็นปลาประมิตรแล้วก็พึงเว้นเสียห่างไกลเหมือนคนที่เดินทางและรู้ว่าทางนี้มันมีผ่ มีอันตรายมีโจรมีเสือมีอะไรตรัวใดเราก็ต้องละเว้นทางเหล่านั้นอย่าขืนเดินไปเพราะว่าเดินไปมันก็ทําลายตัวเราเองต่อจากนั้นก็ทรงแสดงถึงมิตรที่เรียกว่ากัลยาณมิตรนะครแต่ว่าในที่นี้ท่านทรงใช้คําว่าสุหธาที่แปลว่าใจดีใจดีบางทีทีเ่เรียกชื่อแม่นะฮะแม่ในเรียกว่าสุหธาคือหญิงมีใจดีบางทีก็เรียก เรียกเพื่อนเพราะว่าแม่ก็เป็นเป็นเพื่อนพวกหนึ่งอย่างพุทธภาสิติว่ามาตาตมิตตังสเกเกเรแม่เป็นมิตรในเรือก็เลยก็เรียกเรียกตีกันได้ก็สับสนกันอยู่ได้เพราะว่าเป็นกลุ่มคนเดียวกันมิตรที่มีประการแรกก็คือมิตรที่มีอุปการ ะ, ะมิตรที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้มิตรที่บอกประโยชน์ให้มิตรที่มีความรักใคร่หรือมิตรที่มีความเอ็นดูนะคร แล้วก็ต่อจากนั้นก็ทรงแสดงลักษณะของมิตรแต่ละประเภทให้ดูว่ามิตรมีอุปการะมีลักษณะยังไงบ้างคือหนึ่งรักษาทรัพย์ของเพื่อนที่ประมาทเช่นเพื่อนเกิดเผลอเรอเกิดลงลืมเกิดอะไรตัวไรคนเหลนี้ก็มารักษาทรัพย์ให้รักษาเพื่อนที่กำลังประมาทนะรักษาเพื่อนซึ่งกำลังประมาทเช่นเผลอไปพลางไปนะเราก็ปกป้องรักษาเพื่อนเอาไว้ แล้วก็พอมีกิจการงานอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นที่พึ่งพํานักได้เวลาจะต้องออกปากช่วยเหลืออะไรเข้าก็พร้อมใจช่วยเหลือกว่ามากกว่าที่ขอร้องนี่เขาเรียกว่าเป็นมิตรที่มีอุปการะจริงๆซึ่งก็หายากเหลือเกินนะฮะแต่ยังไงยังไงก็ชีวิตคนเราก็แต่ละคนก็มีพ่อแม่อยู่แล้วนะฮะท่านเหล่านี้ก็เป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงอยู่แล้วก็ต่อไปก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้ก็แสดงให้เห็นถึงว่ามีความจริงใจ เช่นว่าบอกความลับของตอนเองแก่เพื่อนแล้วก็ปกปิดความลับของเพื่อนเวลามีอันตรายก็ไม่ทอดทิ้งบางครั้งบางคราวถึงคราวที่จะต้องทำนะฮะยอมสละแม้ชีวิตเพื่อรักษาเพื่อนเอาไว้ซึ่งในกรณีนี้ตัวอย่างบุคคลในประวัติศาสตร์ก็มีอยู่เป็นมาก อย่างเช่นพระนอนุเทระเนี่ยท่านก็เป็นกัญญาณมิตรอย่างแท้จริงของพระพุทธเจ้านะฮะพอช้างนาลากิรีจะแทงท่านนั้นเองก็วิ่งเข้ามาจะแทงพระนอนุก็พุ่งไปขวางสละชีวิตได้นีป่ประเภทมิตรแท้ต่อไปก็มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้ก็อะไรนะฮะช่วยชี้แจงแนะนำท่านนั้นเองเช่นว่าห้ามไม่ให้ทําความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติความดี แล้วก็ให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังแล้วบอกทางสุขทางเจริญให้เป็นหน้าที่เหมือนกับหน้าที่ของไก่หน้าที่ของพ่อแม่หน้าที่ของนักบวชหน้าที่ของมิตรประเภทนี้เหมือนกันแล้วก็ต่อไปก็มิตรประเภทที่เรียกว่าร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้นะฮะคื อ, อ, อมิตรมีความรักใคร่ส่วนมากเราจะพูดว่ า, ว า, วามิตรที่มีความรักใคร่ก็คือ เวลาใครติเตียนเพื่อนก็พยายามชี้แจงแนะนำให้เข้าใจเวลาสันเซิร์นเพื่อนถ้จริงนะฮะไม่ใช่เป็นแบบเพื่อนขุนพลอยพยักไปอีกคือถ้าจริงก็ยอมรับนับถือแล้วก็เวลามีความสุขหรือความทุกข์ก็พร้อมที่จะร่วมกันได้ทั้งสุขทั้งทุกข์นี่ก็สรุปว่าเป็นเรื่องของมิตรประเภทที่ควรที่ควรแก่การ คบหาสมาคมในที่สุดก็ทรงสรุปอีกทีหนึ่งนะฮะว่าพระผู้มีพระภาคได้สัตว์พระคาถาประพันธ์ต่อไปว่ามิตรมีอุปการะหนึ่งมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้หนึ่งมิตรบอกประโยชน์หนึ่งมิตรมีความเป็นดูหนึ่งบัณฑิตพึงทราบว่ามิตรทั้งสีจ่จำพวกเหล่านี้เป็นมิตรแท้พึงเข้าไปคบหาโดยเคารพเหมือนดังมารดากับบุรฉะนั้นนะดังมารดากบุร คือเขาผาสบายมากเลยเหมือนกับแม่กับลูกไม่มีอันตรายอะไรต่อกันนี่ก็เป็นเป็นตอนหนึ่งที่ทรงแสดงนาะไว้ในสิงหาและกระสูตรนะฮะสำหรับวันนี้ก็กจบแต่เพียงเท่านี้